สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักดิชันใครยขอนำเสนอพระธรรมคำสอนอันมีคุณค่ายิ่งของพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมอย่างสูงรูปหนึ่งท่านมีชื่อว่าหลวงพ่อสำราญธรรมทุโรหรือที่หลายๆท่านรู้จักกันดีในนามของหลวงพ่อกล้วยแห่งวัดป่าธรรมอุทยานจังหวัดขอนแก่นชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่าน คงเคยได้มีโอกาสไปกราบหลวงพ่อและสัมผัสบรรยากาศที่วัดกันมาบ้างแล้วนะคะคงจะรู้สึกประทับใจในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นสถานที่ซึ่งมีความส ป, ปายะสงบร่มรื่นและสวยงามโดยเฉพาะองค์หลวงปู่ใหญ่หรือพระพุทธรัตนมณีมหาปฏิมากร พระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวสะอาดตาองค์ใหญ่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และงดงามมากเหมือนดังมีเทพเทวามาช่วยกันสร้างสรรค์ความอบอุ่นใจและเบิกบานใจยามที่ได้สัมผัสจึงทำให้องค์หลวงปู่ใหญ่เป็นศูนย์รวมใจของผู้คนทั้งหลายที่ได้มีโอกาสผ่านไปผ่านมาที่วัดอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้คนหรือชาวบ้านที่นั่น ก็มีความเอื้ออาทรเป็นกาลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีรวมทั้งบรรยากาศของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอัน ง, งดงามระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ในทุกวาระทุกโอกาสสำหรับแนวทางการปฏิบัตินั้นหลวงพ่อท่านได้เน้นย้ำว่าเรื่องการปฏิบัตินั้น จะต้องมีจุดหมายปลายทางคือความสะอาดความบริสุทธิ์และการจะได้มาซึ่งความสะอาดความบริสุทธินี้ต้องขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่ทุกขณะจิตธรรมชาติของจิตจะต้องสะอาดคือเป็นจิตที่ว่างจากการยึดมั่นถือมั่นว่างจากความคิดว่างจากอารมณ์และการปฏิบัติธรรมจะต้องทาเอาเอง คือต้องสร้างสติเข้าไปสังเกตเข้าไปวิเคราะห์ตามดูจิตอยู่ทุกขณะพร้อมทั้งแยกแยะตามความเป็นจริงที่น่าสนใจมากสําหรับคาวาะอย่างเราเร า, เราท่านๆ่านคือท่านบอกว่าการทํางานก็คือการปฏิบัติธรรมเวลาทํางานก็ตามก็ดูจิตไปด้วยเมื่อเรารู้จิตมีสติแยกแยะได้อย่างถูกต้องเราก็จะเป็นผู้สะอาด บริสุทธิ์ในที่สุดค่ะ ข, ขอเชิญติดตามรับฟังพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อท่านกันเลยนะคะเริ่มต้นการเทศนาว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติให้มีความสนุกถ้าดูจิตให้สนุกอยู่คนเดียวก็สนุก ถ้าการปฏิบัติธรรมไม่สนุกแสดงว่าคนนั้นมีจิตใจท้อถอยถ้าปฏิบัติธรรมแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินมีความพอใจฝักใฝ่อยู่คนเดียวก็สนุกอยู่หลายคนก็สนุกนั่นแหละยิ่งสนุกใหญ่จิตมีความอาจหาันมีความกล้าหารกล้าได้กล้าเสียกล้าตายอยู่เหนือตาย ตายก่อนที่จะตายเสียอีกนั่นแหละต้องทำให้จิตของเราตายจากกิเลสซึ่งกว่าจะทำได้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเยอะตอนบวชพระใหม่ๆบางวันยืนอุ้มบาตรทั้งวันทั้งคืนฝนก็ตกไปปักกลอดอยู่กลางป่าช้าจะไปไหนก็ไม่ได้เจอลมเจอฝนหนาวก็หนาวทนทุกทรมาณ ทั้งกลัวผีก็กลัวฝึกใหม่ๆบวดใหม่ๆนี่กลัวผีมากทีเดียวช่วงยังไม่บวชก็ไม่ค่อยกลัวนะพอมาบวชนุ่งผ้าเหลืองแล้ววันแรกก็เกิดกลัวผีอย่างจับใจเพราะว่าจิตมันหลอกเขาบอกว่าผีชอบหลอกพระบวชใหม่เข้าไปอยู่ในกุฏินี่มีรูนิดเดียวก็หาสำรีไปอุดไว้เลยกลัวผีมันจะมองเห็น มันหลอกถึงขนาดนั้นเลยขนาดจะไปเบาไปหนักยังต้องกลั้นเอาไว้จนตะวันโผล่ถึงลงมาได้เพราะกลัวนึกถึงหลวงปู่หลวงตาที่บำเพ็ญมามากๆจิตของท่านคงมีกำลังช่วงนั้นแหละถึงได้เข้ามาอยู่ป่าช้ามาอยู่คนเดียวเมื่อก่อนอยู่ในบ้านกลางคืนสองทุ่มออกมาอยู่ป่าช้าตีห้ากลับไปอยู่ในบ้านขนาดจะมาเดินจงกรม ใหม่ๆนี่ยังถือไฟฉายด้วยก่อนจะเดินจงกรมสร้างขันติก็เอาไฟฉายส่องกลัดไปทั่วเลยกลัวผีหลอกจะมานั่งดูเดินไปจิตมันคิดไปปรุงแต่งไปเราก็เดินเร็วขึ้นซ้ายขวาซ้ายขวาเอาจิตให้อยู่เอาจนเหนื่อยจนเหงื่อแตกซิกซิกเลยก่อนจะเข้าที่พัก ก็เอาสังกะสี7 8ถึงแแผ่นมาทำเป็นวงกลมล้อมต้นไม้เอาไว้แล้วเอากรดไปกลางไว้ข้างในก่อนจะเข้าไปในซุ้มในกรดพอถึงประตูก็วิ่นปลุเท่าไปเลยกลัวผีหลอกมันดึงขาขนาดอยู่ในป่าช้านะออกมาฝึกอยู่ป่าช้ามันยังหลอกขนาดนั้นนะจิตของเราฝึกไปฝึกมา ดับไปดับมาก็เกิดความกระหายมากขึ้นมากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยต่อมาก็มานอนอยู่ตามหลุมศพในป่าช้าอยู่คนเดียวหลุมศพใหม่ๆเสียด้วยเป็นศพจากอุบัติเหตุรถชนกันตายเขาก็เอามาฝังเราก็ได้ที่ก็เอาเสือมาปูอยู่บนหลุมศพเอากดดมากลางเมื่อก่อนมันรก เดินเข้าป่าช้านี่ต้องเอามีดถางๆเดินมาไม่ได้มันรกพอมันนั่งมันก็กลัวนอนงายก็กลัวเลยสู้นอนคว่มหน้าใส่กับผีหลอกเลยถึงขนาดนั้นใหม่ๆนี่สติไปเพ่งจิตไม่อยากให้จิตออกไปรับรู้มันกลัวมันก็เลยเพ่งเพ่งเพ่งจ้องระวังตรงนี้ก็สำคัญ เราคอยระวังจิตของเรามากเกินไปไม่อยากให้จิตของเราออกไปรับรู้ต่างๆกลัวมันจะเกิดความกลัวสติมันก็เลยเพ่งเหมือนแมวคอยตะครุบหนูก็เลยตึงเครียดกันจิตก็ตึงสติก็ตึงทั้งคืนเช้าขึ้นมานี่กายสั่นสทานหมดเลยขากันไก่นี่สันกระดดบกันอยู่ตลอดคือมันปฏิบัติผิด ตามความจริงแล้วจิตของเราเป็นธาตุรู้เราให้เขารับรู้แต่ไม่ให้เขาเกิดถ้าเขาจะเกิดก็เอาสติเข้าไปดับใช้วิธีไหนก็ได้ที่จะให้เขาดับกำหนดลมหายใจให้เขาดับให้เขารับรู้แต่ไม่ให้เขาเกิดถ้าเราอยากรู้อะไรเหตุอะไรที่มันเกิดภายนอกเราก็เอาสติปัญญาพากกยเข้าไปดู ใหม่ๆก็จะเป็นเหมือนกันหมดทุกคนเราต้องพยายามศึกษาให้ละเอียดให้เข้าใจให้ถ่องแท้ว่าการควบคุมจิตเป็นยังไงการบริหารจิตเป็นอย่างไรจิตของเราก็เหมือนกระเบกน้อยนั่นแหละปล่อยให้เล่นพอเกิดอุปสรรคเราก็ค่อยเข้าไปช่วยเหลือเขาถ้าเขาจะเกิดส่งไปข้างนอกเราก็ต้องรู้จักเขารู้จักแก้ไขเขา จิตที่ไม่ได้ฝึกนี่มันก็จะไปตามเรื่องตามราวของเขาหลงไปสติในทางโลกนั้นใช่อยู่แต่สติในทางธรรมที่จะเข้าไปดูจิตเข้าไปชำระกิเลที่จิตนั้นตรงนี้ไม่มีนอกจากบุคคลที่มาฝึกจริงๆถึงจะรู้ว่าเราไม่มีสติมาฝึกมาดูมารู้มาแยกได้จริงๆนั่นแหละถึงจะรู้ว่าเราหลง ทั้งๆ ท, ที่เราหลงหลงอยู่เราก็ยังว่าไม่หลงเราไม่หลงอยู่ในระดับของสมมุติเท่านั้นเองในระดับวิมุตต์รับใดที่ยังแยกรูปแยกนามไม่ได้นี่หลงถึงจิตจะสงบอยู่ก็เป็นเพียงขันธ์ที่คว่ำอยู่ยังไม่ได้ไายขึ้นมาเป็นสมาธิเฉยๆสงบอยู่เฉยๆยังไม่ได้ไายขึ้นมาถ้าไายขึ้นมาแล้ว กำลังสติต้ตองตามค้นคว้าแล้วละออกให้หมดอีกแม้เป็นจิตก็ไม่ให้เกิดถ้าจิตไม่เกิดแล้วดับความเกิดแล้วต้องวางอีกนั่นแหละเขาเรียกว่าวางธรรมรู้ธรรมแล้วก็วางธรรมถ้ารู้จิตแล้วยังไปผูกไปขังจิตเหมือนกับไปเจอพระแล้วก็จับพระไปขังเสีย ปล่อยให้จิตของเราเป็นอิสระอิสระจากการเกิดอิสระจากกิเลสอิสระจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเขาก็สะอาดเขาก็บริสุทธิ์การเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดถ้าเขารู้ความจริงแต่เวลานี้ภายในหนาทีไปกี่เรื่องแล้วก็ไม่รู้เพียงแค่อารมณ์เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นมา ก็ไปยินดียินร้ายไปด้วยกันเขาเรียกว่าไปเสียได้อะไราอาวรกับอารมณ์เล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของธรรมดาสมัยก่อนฝึกใหม่ๆจิตพลิกจากสมมุติไปหาวิมุติใหม่ๆกำลังเร่งทำความเพียร น, นี่มองดูพวกท่านถ้ามานั่งอยู่ใกล้ๆนี่มันห่างไกลเป็นยอ เพราะสภาวะจิตมันต่างกันสมัยก่อนทำความเข้าใจกับนิวรณ์หนาวๆก็ลุกอาบน้าถ้านิวรเข้ามาลุกอาบน้าเดินถูพื้นศาลาจนเป็นมันวับเลยตอนกลางคืนนี่เอาการเอางานเป็นการปฏิบัติธรรมถูพื้นศาลาด้วยไล่นิวรด้วยเพิ่มความขยันหมั่นเพียรทำงานไปด้วยกลางวันก็ทำงานไป ถ้านั่งนิวรนจะเข้าก็ลุกตามดูจิตให้ได้ทุกอิริยาบถ ท, ทุกวันนี้มันไม่มีอะไรที่จะไปตามดูจิตมันก็ไม่เกิดมาร่วม20สิปีแล้วสติมันก็หยุดร่วม15ถึง16ปีความคิดก็ไม่ผุดมาปรุงแต่งร่วม20สิบปีเหมือนกันก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มีแต่จะทำงานทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ ทำงานเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้มาอยู่ดีมีความสุขได้มาฝึกหดัดฝึกปฏิบัติก็เพื่อที่จะได้ไปได้เร็วได้ไวทุกวันนี้อะอรอะไรก็ทำไว้หมดที่พักที่นั่งที่เดินห้องซ่วมห้องน้ำก็ทำไว้หมดก็เหลือเพียงญาติโยมเท่านั้นเมื่อทำให้ขนาดนี้ยังจะพากันเกียดครั้นอยู่ก็ช่วยไม่ได้ เราต้องสอนตัวเองแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลามันถึงจะถูกต้องไม่ใช่ไปให้คนโน้นเขาขนาบไปให้พระองค์นี้ขนาบอย่างนั้นคงเป็นบุคคลที่กิเลสหนาะบุคคลที่มีกิเลสเบาบางฝั่งนิดเดียวไปแก้ไขปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละใครที่เข้ามาที่วัดนี้ถึงได้เห็นแปลกแตกต่างจากที่อื่นอยู่ ตั้งแต่ปากทางเข้ามาแม้แต่ป้ายวัดทางการเขาก็มาติดให้เขาสงสารเขาหาว่าหายากก็เลยมาติดให้พวกท่านถึงได้เห็นป้ายวัดป้ายวัดก็เล็กนิดเดียวเข้ามาก็ไม่มีเขียนข้อวัดปฏิบัติต่างๆเอาไว้ให้แล้วก็ไม่เห็นมีใครพากันไปนั่งไปเดินไปฝึกปฏิบัติอะไรเลยสำหรับที่นี่ทุกคนเข้ามาก็ให้รู้สึกว่า มาที่นี่เหมือนกับอยู่บ้านซึ่งแต่ก่อนยังไม่ได้มาก็เลยไปคิดว่าเอแล้วเราจะไปอยู่ยังไงเราจะไปกินยังไงไปนั่งยังไงไปฝึกยังไงมันหลอกเราเสียแล้วพอเข้ามาจริงๆมารู้ความจริงอืมมาที่นี่ก็สบายนะใครๆก็เหมือนกับพี่กับน้องมีอะไรก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความวิตกกังวลก็คลายไปโดยไม่รู้ตัวมันคลายไปเปราะใหญ่จิตใจก็เลยสบายคือมันสบายแบบหลงๆหรือสบายแบบไม่มีสติก็ไม่รู้นะต้องมาสร้างกําลังสติให้มากไปกว่านี้อีกถ้าจิตของเราสบายเป็นยังไงสงบเป็นยังไงนี่แหละถ้าเป็นบางที่ถ้าเคร่งครัดมากเกินไปก็คอยระแวงระวัง แต่ที่นี่ไม่มีแบบนั้นก็เลยไม่ได้กังวลตรงจุดนั้นความกังวลคลายไปจิตใจก็เลยไม่มีความกังวลแต่พวกเราจะมีสติคอยสังเกตรู้หรือเปล่าเท่านั้นเองที่นี่จะปล่อยให้ปฏิบัติดูจิตของเราให้มีสติเข้าไปสังเกตดูเข้าไปวิเคราะห์ดูทั้งที่จิตก็สบายอยู่สบายแบบธรรมชาติ ดูว่าจิตสงบของเราเป็นยังไงความสบายยาวนานหรือไม่เป็นต้นที่พากันมาก็มาเพื่อที่จะแสวงบุญทุกคนก็มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลกันหมดมีศรัทธาน้อมกายเข้ามาเพื่อศึกษาแล้วก็ได้ผู้บริหารที่ดีฝักใฝ่ในธรรมอยากให้บริวารได้รับความสงบความสุขทั้งภายนอกภายใน ภายนอกก็คือภาระหน้าที่การงานสมมุติต่างๆที่พวกเราได้สร้างได้ทํากันภายในก็คือทางด้านจิตใจให้มีจิตใจที่สงบให้มีจิตใจที่เยือกเย็นไม่ทําตามอารมณ์ให้มีเหตุมีผลเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดถ้าพวกเรารู้จักวิเคราะห์รู้จักพิจารณา รู้จักทําความเข้าใจเรื่องกายของเราก็จะดูว่าในกายของเรานี้มีอะไรดีเยอะทั้งของดีและของไม่ดีรวมกันอยู่ที่นี่ฉะนั้นกายของเรานี่แหละก้อนทุกข์กายของเรานี่แหละก้อนกรรมแต่พวกเราขาดการพิจารณามายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นกายของเราจริงๆ ในทางสมมุติก็เป็นกายของเราจริงๆนั่นแหละแต่ในทางวิมุตตในทางหลักธรรมแล้วเป็นเพียงแต่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าขาดการจำแนกแจกแจงขาดการแยกแยะจริงๆเราก็จะไม่รู้ความจริงตรงนี้ถ้าเรามาวิเคราะห์มาเจริญสติมาหัดสังเกตมาหัดทำความเข้าใจ เราก็จะเข้าใจในชีวิตของเราว่ากายของเรานี้ประกอบขึ้นมาด้วยอะไรบ้างอันนั้นเป็นส่วนรูปธรรมและส่วนนามธรรมนั้นเป็นลักษณะอย่างไรลักษณะของจิตที่สงบเป็นลักษณะอย่างไรลักษณะของความว่างเป็นลักษณะอย่างไรอาการของความคิดหรือสภาวธรรมอาการของขันห้าเป็นลักษณะอย่างไร ที่จิตของเราหลงความคิดหลงขันท่าทำให้เกิดอัตตาตัวตนอันนี้เป็นความหลงเป็นโมหะอันลุ่มลึกเลยทีเดียวพวกเราต้องพยายามมาคลายตรงนี้ให้ได้ก็จะเข้าใจในเรื่องอัตตาอนัตตาแนวเรื่องความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นที่กายหรือที่จิตเราต้องรู้จักหาวิธีแก้ไข คนเราเกิดมาก็นับว่ามีอนิสงส์มีบุญมีกุศลถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์บุญเก่าเราก็มีบุญใหม่เราก็พยายามมาเพิ่มมาเสริมมาเติมมาแต่งดังที่พวกเราพากันมานี่แหละมาสร้างบุญใหม่ให้มีให้เกิดขึ้นพากันสร้างแต่จะพากันรู้จักบุญหรือเปล่าบุญ ก็คือความสบายกายสบายใจนี่คือบุญการเจริญสติการเจริญสมาธิการทำความเข้าใจเราต้องรู้จักความหมายสติที่เราสร้างขึ้นมานี้เป็นลักษณะอย่างไรความระลึกรู้ตัวรู้กายแล้วก็รู้จิตจะต้องผัดสร้างขึ้นมาส่วนจิตส่วนความคิดส่วนอารมณ์นั้นก็เกิดเกิดดับดับอยู่แล้ว ความคิดเขาก็เกิดอยู่เขาก็มีอยู่ประจาผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตของเราอยู่เป็นประจาแต่เราขาดการเจริญสติเข้าไปสังเกตก็เลยไม่รู้ตรงนี้ถ้าเรามาสร้างสติหยุดดูรู้อยู่บ่อยๆเราก็จะเห็นการเกิดการดับของจิตการเกิดการดับของขันธ์ห้ายอยู่ตลอดเวลานี่แหละความหลงอันลุ่มลึก ตรงนี้คนขาดการวิเคราะห์ขาดการพิจารณาส่วนมากก็ทำบุญกันอยู่ทำบุญถวายทานทั้งกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังทรัพย์มีโอกาสก็พากันขวนขวายพากันฝักใฝ่พากันสนใจแต่เรื่องจิตซึ่งเป็นฝ่ายนามธรรมาไม่ค่อยสังเกตให้ต่อเนื่องกันเท่าไหร่คิดเราก็รู้ว่าเราคิด ทำเราก็รู้ว่าเราทำทั้งที่จิตกับความคิดเขาก็รวมกันอยู่นั่นแหละเราหลงอยู่หลงอยู่ในความรู้ตรงนั้นเราต้องมาสร้างผู้รู้ตัวใหม่คือมาเจเริญสติมาสร้างสติเช่นเราสังเกตเรื่องการหายใจเข้าออกของเราให้ต่อเนื่องกันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ไม่ลุกจากที่โน่นแหละ พอรู้ตัวปุ๊บตั้งสติให้มัน่นสร้างความระลึกรู้สัมผัสลมหายใจเข้าออกของเราให้ต่อเนื่องกันถ้าเราพลัง้งเผลอเราก็เริ่มต้นใหม่เพียงแค่สร้างสติกับรักษาสติให้ได้เสียก่อนไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถไหนส่วนความคิดส่วนปัญญาแบบโลกโลกของเรานั้นทุกคนมีปัญญาเป็นอัจฉริยะกันหมด แต่ยังเป็นปัญญาที่เข้าไปคลายทุกข์ในจิตของเราไม่ได้เป็นปัญญาระดับโลกีปัญญาระดับสมมุติตรับใดที่จิตของเรายังไม่คลายออกจากความคิดออกจากอารมณ์จิตของเรายังไม่พลิกจากสมมุติไปหาวิมุตติก็ยังหลงอยู่ยังหลงอัตตาตัวตนอยู่ทุกคนก็ว่าตัวเองไม่หลงตรับใดที่ไม่ได้มาเจริญสติและไม่ได้สังเกต จนกว่าจะแยกรูปแยกนามได้จนกว่าจิตของเราจะพลิกจากสมมุติไปหาวิมุตตได้นั่นแหละถึงจะรู้ว่าตัวเองหลงอาจจะหลงในระดับของบุญของกุศลแต่ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกับโผล่ขึ้นบันไดขึ้นได้แค่สองสามขั้นสี่ห้าขั้นแล้วก็ถอยลงมาไม่ยอมก้าวไปถึงตัวเรือนคือ ยังไม่แยกรูปแยกนามนั่นเองเรื่องการปฏิบัติจิตถ้าเรามีความท้อถอยนี้เข้าไม่ถึงเราต้องเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรจริงๆขยันหมั่นเพียรในการวิเคราะห์ในการตั้งจิตในการทำความเข้าใจอยู่บ่อยๆ อ, อยู่เนืองๆเรารู้จักสร้างตบะบารามีความเสียสละของเรามีเต็มไหม ความอดทนอดกลัน้นสัจจะของเรามีเต็มหรือเปล่ามีความจริงใจต่อตัวเองไหมมีพรหมวิหารมีความเมตตามองโลกในทางที่ดีอันนี้เป็นการเจริญตบบะบารมีอยู่ตลอดเวลาตื่นขึ้นมาเราก็รีบสำรวจตรวจตราดูตัวเราสำรวมกายอินทรีย์ของตัวเราเสียหูตาจมูกลิ้น กายของเราทำหน้าที่อย่างไรเราต้องทำความเข้าใจเรารู้จักแยกรูปรสกลิ่นเสียงออกจากจิตของเราหรือไม่ภาษาธรรมมาที่ท่านเรียกว่าสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังเป็นยังไงอันนี้หลวงพ่อเพียงแต่เล่าให้ฟังถ้าพวกท่านไม่ไปทำก็จะไม่เข้าใจ การเจริญสติก็เพื่อที่จะเข้าไปสัารกิเลสออกจากจิตจากใจของเราการรักษาศีลการเจริญสติรักษาศีลสร้างสติสร้างสมาธิก็เพื่อที่จะเข้าไปทำความเข้าใจแล้วก็ละความหลงคลายความหลงแล้วก็ละกิเลสออกจากจิตจากใจของเราให้หมดแม้แต่ความอยากเล็กๆน้อยๆ อ, อยากจะรู้ธรรมอยากเข้าถึงธรรม เราก็ต้องละแต่การกระทําคือการสังเกตการวิเคราะห์สังเกตไม่ทันเราก็ต้องใช้สมถะเข้าไปดับเราอาจจะกำหนดอยู่กับลมหายใจบ้างสร้างความรู้สึกอยู่ที่การหายใจเข้าออกบ้างเรียกว่าสร้างความรู้สึกอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายบ้างแล้วแต่ความถนัดของแต่และบุคคลที่จะเดินให้ถึง การฝึกหัดปฏิบัติจิตเราต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปวุ่วามคือค่อยเป็นค่อยไปตั้งจิตไม่ทันเราก็เริ่มใหม่ทำความเข้าใจเริ่มใหม่อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาบุคคลที่มีสติปัญญาถ้าหากฟังนิดเดียวฟังไปแล้วน้อมเราลึกรู้กายระลึกรู้ความปกติของเราไปด้วยถึงจะได้เกิดประโยชน์ น้อมเข้าไปดูตรวจตราดูตัวเราทั้งภายนอกภายในภาระหน้าที่สมมุติต่างๆเราทําไว้เรียบร้อยบริบูรณ์แล้วหรือยังกับหมูคนะ่คณะกับเพื่อนกับฝูงเรามีพรหมวิหารมีความเมตตาหรือไม่ทีนี้จิตของเราจะเกิดอารมณ์หรือว่าเกิดความโลภความโกรธความอยากเรารู้จักดับหรือไม่ สติที่เราสร้างขึ้นมานี้เอาไปใช้กับภาระหน้าที่การงานได้หรือไม่ิมีวรต่างๆิีวรธรรมต่างๆ ท, ที่เป็นเครื่องกั้นจิตของเราเราทำความเข้าใจได้หรือไม่เราเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมหรือไม่เป็นคนที่ถึงพร้อมทำความเข้าใจได้พร้อมเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นคนที่ตื่นอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่า เราต้องเป็นผู้ที่สร้างรั์ภายในให้มีให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลารัพภายในถ้าเราไม่สร้างขึ้นมาก็ไม่มีเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาสร้างความว่างความสงบความสะอาดความบริสุทธิ์นั่นแหละเขาเรียกว่ารั์ภายในอริยสัจภายในคือความว่างในความว่างนั้นมีดวงจิตอยู่ จิตที่ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากความคิดว่างจากอารมณ์เขาก็นิ่งเขาก็สงบเขารู้ว่าการเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดแต่เวลานี้จิตของพวกเรายังเกิดอยู่แต่ละวันแต่ละวันไม่รู้เกิดกี่เที่ยวแค่5นาที1ินาทีไม่รู้ไปสักกี่อย่างเดี๋ยวก็เรื่องคนโน้นเดี๋ยวก็เรื่องคนนี้เดี๋ยวก็เรื่องอดีต เดี๋ยวก็เรื่องอนาคตสารพัดเรื่องนอกจากนี้แล้วบางทีความคิดผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นแหละอาการของขันห้าผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตบางทีจิตของเราก็ไปร่วมกับความคิดที่เขาเรียกว่าไปเสวยนั่นแหละเรื่องดีก็เป็นสุขเวทนาเรื่องไม่ดีก็เป็นทุกขเวทนา เราขาดการจำแนกแจกแจงเราไปรู้เมื่อจิตกับความคิดเข้ารวมกันแล้วก็เลยคิดว่าเรารู้เราเห็นแต่ขาดการแยกแยะทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอาการของจิตอะไรเป็นอาการของขันท่าที่เกิดขึ้นแล้วจิตของเราไปร่วมได้ยังไงมันก็ไม่มีอะไรยากหรอกถ้าพวกเรามีความตั้งใจจริงๆ ก็มีแค่เรื่องกายเรื่องจิตเรื่องรูปเรื่องนามก็วนเวียนอยู่ที่นี่ทุกคนก็มีกิเลสกันหมดแต่มีมากมีน้อยต่างกันเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจยิ่งสัตสางยิ่งจเจริญสติเข้าไปมากเท่าไรเราก็ยิ่งจะเห็นมากยิ่งเห็นมากเท่าไรก็ยิ่งทำความเข้าใจรู้ความจริงแล้วค่อยละ ถ้าเรามีความคิดสติปัญญาเก่าๆของเราเราก็ต้องรู้จักดับรู้จักอดรู้จักข่มพระพุทธองค์ท่านบอกเอาไว้ว่าสติปัญญาในทางโลกนั้นอย่าเพิ่งเอามาโต้แยง้งจะดีมากขนาดไหนก็อย่าเพิ่งเอามาโต้แยง้งเราดับเราอดเราข่มจนกว่าจิตของเราจะตกกระแสธรรมจนกว่าจะแยกรูปแยกนามได้ ธรรมทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงถึงจะเปิดทางให้วิปัสสนาก็เริ่มเกิดกำลังสติก็จะตามดูการเกิดการดับของขันธ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงของความคิดของอารมณ์ที่จิตของเราไปปรุงแต่งทำให้เกิดอัตตาตัวตนถ้าเราเห็นตรงนี้กำลังสติของเราก็จะพุ่งแรงเป็นมหาสติ ตามดูตามรู้ตามทําความเข้าใจก็จะเห็นการเกิดการดับเขาเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงของอารมณ์ของความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามดูจนจิตของเรายอมรับความจริงว่าไม่มีสาระประโยชน์แก่สารอะไรนั่นแหละจุดวางก็อยู่ตรงนี้ ปราบใดที่ยังแยกรูปแยกนามไม่ได้ก็ต้องเพิ่มกำลังสติให้เป็นมหาสติส่วนมากกำลังสติของเราจะพลังเผลอเพราะว่าความเคยชินแบบเก่าๆซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดจากจิตเกิดจากขันธ์ห้าที่ปรุงแต่งส่งออกไปอันนี้เป็นเรื่องละเอียดมากทีเดียวคนที่ขยันหมั่นเพียรจริงๆถึงจะเข้าใจถ้าคนเกียดครก็จะไม่เข้าใจ ขยันหมั่นเพียรทุกสิ่งทุกอย่างขยันทำความเข้าใจขยันละกิเลสละความอยากเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ว่าอยากเฉพาะในเรื่องอาหารการอยู่การกินอยากในรูปในรสในกลิ่นในเสียงความยินดียินร้ายทั้งผลักไสทั้งดึงเข้ามาไม่อยากเอาไม่อยากมีไม่อยากเป็นดับออกให้หมดเลยทีเดียว ทำความเข้าใจให้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงธรรมชาติของจิตที่ไม่มีกิเลสเขาก็สะอาดบริสุทธิ์ธรรมชาติของโลกภายนอกเขาก็หลงอยู่กับโลกธรรมแปดอยู่อย่างนั้นเราก็ยังอาศัยโลกอยู่เราก็ต้องทาความเข้าใจกับโลกโลกในที่นี้หมายถึงความคิดหมายถึงอารมณ์ที่อยู่ในกายของเราซึ่งเรียกว่ารอบรู้ในโลก รอบรู้ในกองสังขารของตัวเองรู้จักทำความเข้าใจแล้วค่อยละออกทีนี้กีเด็ก็จะเหือดแห้งไปเหือดแห้งไปถ้าการละการดับไม่มีมีแต่พ่อกูลกีเด็มันก็มากขึ้นมากขึ้นกําลังก็มากขึ้นคนเราเกิดมาก็เพื่อที่จะเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่ไม่เดินให้ถึงจุดหมายปลายทางกันสักที มีแต่พากันมัวเมาเล่นเพลิดเพลิอนอยู่กับรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆเพลิดเพลิอนอยู่กับโลกสมมุติตรงนี้อยู่ให้มองให้ลึกค่าความสุขที่แท้จริงคือความว่างความสะอาดความบริสุทธิ์การไม่กลับมาเกิดอีกเกิดทางกายเนื้อพวกเราก็เกิดมาแล้วแต่เกิดทางด้านจิตวิญ ญ, ญาณ น, นี่แหละสําคัญ ายเนื้อแตกดับวิญญาณของเราจะไปอย่างไรนี่แหละต้องศึกษาเราดับความเกิดได้แล้วหรือยังเราตัดพบตัดชาได้แล้วหรือยังไม่ใช่ว่าจะไปปฏิบัติเอาช่วงจะหมดลมหายใจหรือปฏิบัติเอาช่วงที่อายุมากแล้วเราก็ต้องปฏิบัติเราจะต้องฝึกไปเรื่อยๆขณะที่ยังมีกำลังอยู่ตื่นนอนขึ้นมา เราทำบุญให้กับตัวเราแล้วหรือยังละความเห็นผิดออกจากจิตจักใจของเราหรือยังตอนนี้จิตของเราเป็นกุศลหรือว่าอากุศลอันไหนควรละอันไหนควรเจริญถ้าจิตของเราดีเราก็มองโลกในทางที่ดีคิดดีทำดีตลอดเวลารู้จักสำรวมอินทรีย์ของตัวเราเองทุกคนก็มีกิเลสเหมือนกันหมดนั่นแหละ แต่จะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับอนิสงส์ระบาบารมีของแต่ละบุคคลทุกคนล้วนสร้างบุญมาดีถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราก็มาสร้างสารต่อทากายให้เป็นบุญทำวาจาให้เป็นบุญทาจิตให้เป็นบุญรู้จักศึกษารู้จักค้นคว้าสติสมาธิปัญญาเป็นอย่างไร ลักษณะของศีลเป็นอย่างไรความสงบกายวาจาเป็นอย่างไรไม่ว่าจิตหรือศีลก็อยู่ที่กายของเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกกายของเราก็เป็นศีลจิตของเราก็เป็นศีลทีนี้จะหนักแน่นหรือไม่วุ่นวายหรือไม่จะหลงหรือไม่อันนี้จะพูดเฉพาะส่วนที่บุคคลที่มีความขยันจริงๆถึงจะเข้าใจตรงนี้ ส่วนมากก็ยังพากันเพลิดเพลินอยู่ก็ยังดีที่ยังพากันฝักใฝ่ในกองบุญกองกุศลในการสร้างอานิสงส์สร้างบารมีสร้างบุญตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งนั้นถ้าไม่ถึงวาระถึงเวลาก็ยากที่จะตกกระแสธรรมถ้าอานิสงบุญบารมีของเราไม่เต็มเราก็ต้องสร้างบารมีของเราไปเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆก็ยังดี ดีกว่าไม่ทําถ้าคนไม่เคยสร้างคนไม่เคยทําก็ยากที่จะเริ่ลึกนึกถึงได้เราต้องพยายามสร้างอยู่บ่อยๆให้ทานกับตัวเราให้ทานกับคนอื่นให้อภัยทานอาโหสิกรรมอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่มีเรื่องอะไรมากหรอกมีอยู่นิดเดียวแต่พวกเราพลิกไม่ได้พลิกจากสมมติไปหาวิมุตไม่ได้ ถ้าพลิกได้ก็เหมือนกับเส้นผมบางภูเขาทำไมถึงพลิกไม่ได้ก็เพราะว่าอา น, นิสงส์บา ร, รมีทางสมมุติของเรายังไม่พร้อมบางทีภาระหน้าที่ก็มาปิดกั้นเอาไว้บางทีครอบครัวก็มาปิดกั้นเอาไว้ครอบครัวก็ยังไม่บริบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์บางทีภาระหน้าที่การงานอน น, น้ก็ยังติดขัด อันนี้ก็ยังติดขัดสารพัดเรื่องที่เขาจะมาปิดกั้นเอาไว้บางทีกิเลสต่างๆและยังกายเนื้อก็ยังมาปิดกั้นดวงจิตของเราเอาไว้เราก็ต้องพยายามฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆด้วยความขยันหมั่นเพียรการที่จะขึ้นสู่ที่สูงได้ก็ต้องเป็นคนขยันหมั่นเพียรเป็นคนเสียสละอย่างยิ่งยวดเสียสละจริงๆเสียสละหมด เสียสละทั้งภายนอกภายในทีนี้ถ้าจะเป็นก็เป็นเรื่องปัญญาให้ทำความเข้าใจที่เรามาวัดอย่างนี้เราก็ได้อยู่ที่ว่าได้นั้นได้จากการมาทำจิตของเราให้สงบถ้าเราไม่ปล่อยวางภาระหน้าที่การงานก็คงจะมาไม่ได้ถ้าไม่มีการเสียสละเวลาเราก็คงจะมาไม่ได้ มาที่นี่ก็เหมือนมาบ้านเราทำกายให้เป็นวัดทำจิตให้เป็นพระอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันหมดถ้าเรามีสติคอยตรวจสอบจิตของเราก็จะได้ฟังธรรมะอยู่ตลอดเวลารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็จะเป็นอาจารย์สอนธรรมะให้เราในส่วนลึกๆเราก็ต้องสังเกตการเกิดการดับของจิต ของขันธ์ท่าที่มาปรุงแต่งจิตตัวนี้แหละขันธ์ธมานที่ทําให้จิตของเราหลงอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารและก็โดยจิตของเราก็ยังหลอกจิตของเราอีกยังปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลายังวิ่งอยู่ตลอดเวลาเราพยายามมาดับมาอดมาข่มมาใครออกจากจิตออกจากความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ให้ได้ ถ้าเราอยากจะเห็นตรงนี้จริงๆเราลองอดพูดแล้วก็อดคิดสักวันสองวันดูสิจิตของเรามันจะดิ้นขนาดไหนอดทุกสิ่งทุกอย่างอดทั้งอาหารการอยู่การกินจิตของเราจะเกิดความอยากไหมกายหิวจิตปรุงแต่งได้เร็วได้ไวไหมเราต้องทำความเข้าใจให้หมดให้รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ใช่ว่าจะไปเที่ยวที่โน้นปฏิบัติธรรมที่นี่ถึงจะรู้ธรรมถ้าเรารู้จักฝึกดูเรารู้ได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทำความเข้าใจกับทวารทั้งหแต่มีหน้าที่ดูก็ให้เขาดูเราก็ดูจิตของเราว่าเกิดความยินดีไหมยินร้ายไหมผลักใสไหมดึงเข้ามาไหมถ้าเราจะหลบหลีกก็ต้องหลบหลีด้วยสติด้วยปัญญา จิตของเราเกิดความโลภเกิดความโกรธเรารู้จักดับรู้จักระงับไหมถ้ามันเกิดแล้วเรารู้ไหมว่าทำไมมันถึงเกิดเวลาดับมันกำลังเริ่มก่อตัวเราดับได้หรือไม่เหตุการณ์จากภายนอกมาทำให้จิตเกิดแล้วเรารู้จักดับหรือรู้จักควบคุมไหมหรือเกิดจากข้างในของเราโดยตรง การปฏิบัติทุกอย่างมันก็ไม่เหลือวิสัยหลอกถ้าเราจะแก้ไขปรับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลาเราคลายความคิดคลายทิฏฐิคลายมานะของเก่าออกถ้าเรามีสติปัญญาเต็มร้อยนั่นแหละให้เหลือศูนย์แต่เราไม่ได้ทิ้งหรอกเราคลายของเก่าออกเอาสติปัญญาของเราไปทำหน้าที่แทนจิตของเราเหนื่อยมานานแล้ว เขาเกิดมาไม่รู้กี่พบกี่กลับกี่กันเดี๋ยวก็เกิดเป็นโน่นบ้างเป็นนี่บ้างเราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่ดีมากแล้วเพราะกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ยากแสนยากนะลําบากมากแล้วกว่าจะเติบโตขึ้นมากว่าจะได้รับการศึกษาเล่าเรียนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิบากกรรมต่างๆมาจนได้ทําการทํางาน ปกติก็มีครอบครวัวมีลูกมีหลานก็หาโอกาสยากที่จะชำระสสารกิเลสออกจากจิตของเราพวกเรามีโอกาสโชคดีก็อย่าปล่อยโอกาสทิ้งมันสำรวจตรวจตาดูตลอดเวลาสร้างผู้บริหารใหม่ให้เข้มแข็งคือมาจเจริญสตินั่นแหละให้เข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาอันไหนเป็นจิตอันไหนเป็นอาการของจิตการก่อตัวของจิต การก่อตัวของขันท่าเป็นอย่างไรจิตของเราอารมณ์ของเรานั่นแหละสำคัญพิจารณาให้ดีการที่มาวัดเราก็มาสร้างประสบการณ์หรือมาหาแผนที่หาแนวทางนั่นแหละพวกเราจะเดินตามหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองพยายามเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางมันก็ไม่มีอะไรมากสำหรับหลวงพ่อ ก็เดินอยู่ตลอดเวลาฝึกอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ฝึกมันก็เป็นอัตโนมัติของมันเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเตรียมพร้อมตั้งแต่ยังไม่ได้ปวดเตรียมพร้อมที่จะอยู่เตรียมพร้อมที่จะไปใกล้แตกดับเมื่อไหร่ก็เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาพวกเราพวกท่านพากันเตรียมพร้อมกันหรือยังรู้จักหาช่องทางเดินให้จิตหรือยัง หาเครื่องอยู่ให้จิตของเราแล้วหรือยังชําระศาสสางกิเลสออกจากจิตของเราได้หมดแล้วหรือยังสร้างวิหารธรรมให้จิตหรือยังต้องเป็นคนที่เตรียมพร้อมหลวงพ่อเตรียมพร้อมหมดทั้งกายทั้งใจทั้งภาระหน้าที่สมมุติก็เตรียมพร้อมและก็พร้อมให้กับญาติโยมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อให้ญาติโยมไดมาฝึกหัดปฏิบัติ ใหถึงจุดหมายปลายทางแต่ของหลวงพ่อนั้นเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ร่างกายถ้าแตกดับเมื่อไรก็คงไม่ให้ใครยากลำบากเท่าไรก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เตรียมพร้อมเอาไว้แม้แต่ลงสุกก็ยังเตรียมเอาไว้แท่นเผาก็เตรียมเอาไว้แม้แต่ที่เก็บกระดูกเก็บเท่าทานต่างๆหรือแม้แต่ฟืนเผาก็เตรียมเอาไว้หมดถ้าถึงวาระเวลา ก็เพียงแต่จับมารวมกันแล้วเผาเท่านั้นเองคงจะยกแต่ร่างขึ้นเผาดังนั้นเราก็ต้องเป็นบุคคลที่เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาอย่าพากันประมาทบุคคลที่ประมาทเหมือนบุคคลที่ตายแล้วตายทั้งเป็นเรามีหน้าที่อย่างไรทางสมมุติเราก็ทําให้ดีที่สุดและไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆมีได้เป็นได้ ทำได้ด้วยสติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลหมดไม่ว่าทางสมมุติก็มีเหตุมีผลทางหลักธรรมก็มีเหตุมีผลท่านถึงว่าอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐการเกิดการดับของจิตจิตที่ส่งออกไปข้างนอกนั่นแหละสมุทยัยจิตหลงความคิดหลงอารมณ์นั่นแหละคือโมหะถ้าเราคลายได้เราพลิกได้และเรารลิได้นั่นแหละ วิปัสสนาโมหะก็หายไปสัมาราทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงก็ปรากฏพวกเราพากันสร้างแล้วหรือยังเจริญแล้วหรือยังตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมายังไม่ลุกจักที่ปุ๊บสติรีบสำรวจตรวจต ร, ราดูตัวเราว่าจิตปกติไหมกายปกติไหมสติ ป, ปัญญาเป็นตัวสั่งกายไปไหนมาไหน จิตของเราตั้งมั่นรับรู้อยู่ภายในจิตของเราเป็นาธาตุรู้เวลานี้ก็ยังเป็นาธาตุหลงอยู่หลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ่างหลงในอัตตาตัวตนพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาเรื่องความทุกข์ถ้าเรารู้สาเหตุแห่งทุกข์เราดับทุกข์ได้เราคลายทุกข์ได้ความสุขถึงเราไม่ต้องการก็จะเกิดขึ้นมาเอง เวลานี้จิตของเรายังหลงอยู่ต้องพากันขยันหมั่นเพียรอย่าไปปิดกั้นตัวเองว่าไม่มีโอกาสไม่มีเวลาทุกคนมีโอกาสมีเวลาเพราะว่ายังมีลมหายใจอยู่ยังมีกำลังอยู่อย่าไปเลิกการเลิกเวลาเวลาโน้นจะปฏิบัติเวลานี้จะปฏิบัติเราปฏิบัติได้ตลอดเวลา เราทำความเข้าใจได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าต้องไปนุ่งขาวห่มขาวไปอยู่วัดถึงเป็นการปฏิบัติเราก็อยู่บ้านนั่นแหละดูกายวาจาของเราเป็นอย่างไรเราอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวเราเคยโกรธความโกรธของเราลดลงหรือยังเราเคยเกิดความทะเยอทะยานอยากเราละได้หรือยังทีนี้ เราเพิ่มความขยันหมั่นเพียรเพิ่มความรับผิดชอบด้วยสติปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นรู้จักหน้าที่รู้จักแก้ไขจากน้อยน้อยไปหามากมากตรงไหนมันรัว่วตรงไหนมันไม่ดีก็รีบแก้ไขเสียเราจะไปสแสวงหาธรรมแต่เราไม่รู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเรามันจะไปถึงธรรมได้อย่างไรทั้งภายนอกภายใน เราก็ต้องทำให้บริบูรณ์สภาพกายสมมติของเราก็อยู่ดีมีความสุขไม่เดือดร้อนทางด้านภายในทางด้านจิตของเราหลงอะไรอยู่เราต้องพยายามขัดเกลาแก้ไขยอยู่ตลอดเวลาบุคคลที่มีสติมีปัญญาฝั่งนิดเดียวไปเดินลอยอยู่ฝั่งโน้นซะแล้วไม่ต้องให้ใครคนอื่นเขาเคี้ยวเข็นขนาบแล้วขนาบอีก ถ้าคนมีสติมีปัญญามีกิเลสเบาบางสร้างตบะบารมีมาดีก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วได้ไวสมัยก่อนพระพุทธองค์ท่านไปบอกกล่าวไปประกาศธรรมแสดงธรรมเพียงแค่ท่านพูดเล็กๆน้อยๆคำสองคำผู้ฟังก็บรรลุ ถ, ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็มีเพราะว่าคนสมัยก่อนนั้นฝักใฝ่ในบุญในกุศลกัน แล้วก็สนใจในเรื่องการปฏิบัติสมาธิสมถะเป็นพื้นฐานเพียงแค่พระพุทธองค์ท่านไปชี้แนะการเกิดการดับของจิตการเกิดการดับของขันธ์ห้าการแยกรูปแยกนามไปดูแค่นั้นจิตก็พลิกซะแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็เยอะแยะแต่พวกเราทั้งครูบาอาจารย์ก็เยอะทาไมยังไม่เข้าใจกันเลยอันนี้ก็แปลกนะ อาจจะเข้าใจอยู่ระดับหนึ่งแต่ต้องพยายามให้เข้าใจในระดับที่สูงขึ้นไปลักษณะของจิตที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรลักษณะของสมาธิที่สงบสงบด้วยการบังคับด้วยการขม่มหรือว่าสงบด้วยปัญญาที่เกิดจากการแยกแยะจำแนกแจกแจงไม่ให้จิตของเราหลงจิตของเราหลงอะไรในส่วนลึกๆ เราจะพิจารณากายของเราให้รู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงอันนี้ก็เป็นแค่ทางด้านรูปธรรมส่วนนามธรรมส่วนสภาวะธรรมตัวจิตของเราที่ไปหลงขันห้าหลงความคิดหลงอารมณ์ตรงนั้นแหละเราต้องพยายามเข้าไปสังเกตเข้าไปแยกให้ได้ถ้าเราสังเกตทันเมื่อไรจิตที่จะเข้าไปรวมกันก็จะดีตัวของเขาเอง เราก็จะเห็นการเกิดการดับของจิตสิ่งที่พระพุทธองค์ท่านเปรียบเอาไว้เหมือนกับพยับแดดเวลาเราเดินไปตามถนนเวลาแดดร้อนๆก็เหมือนกับมีเปลวเพลิงลุกชนอยู่ตามถนนเวลาเราเข้าใกล้ๆแล้วมันก็หายไปบางท่านก็เปรียบเอาไว้เหมือนกับลูกคลื่นเวลาเราไปเที่ยวทะเลเราก็เห็นลูกคลื่นเป็นลูกๆ วิ่งเข้ากระทบฝั่งแล้วก็หายไปแล้วลูกใหม่ก็เข้ามากระทบฝั่งอีกอาการของขันห้าอาการของความคิดหรือว่าขันห้าก็เหมือนกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตของเราไปรวมจนเป็นสิ่งเดียวกันเหมือนกับเชือกเส้นเดียวกันเชือกเส้นเดียวกันนี้มันมีเกลียวอยู่หลายเกลียวเข้าไปรวมกันก็เป็นเชือกเส้นเดียวกัน ถ้าเราจับออกมาทีละเกลียวทีละเกลียวก็จะเป็นชิ้นของใครของมันนั่นแหละเรียกว่าขันของใครของมันแล้วสติเที่ยวเราสร้างขึ้นมานี่ก็ส่วนหนึ่งส่วนจิตของเราที่เกิดเกิดดับดับก็ส่วนหนึ่งถ้ากำลังสติ ข, ของเรามีเพียงพอสังเกตได้ก็จะเห็นเป็นสามส่วนถ้าสังเกตละเอียดลงไปอีกในส่วนที่สมที่เข้ามาปรุงแต่งจิต มันเป็นเรื่องอะไรบางทีเป็นเรื่องอดีตก็เป็นอาการของสัญญาความคิดต่างๆไม่ว่าเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางเขาเรียกว่ากองสังขารนี่แหละไม่รอบรู้ในกองสังขารไม่รอบรู้ในอารมณ์ตรงนี้ถ้าเรารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในความคิดรอบรู้ในอารมณ์ตรงนี้กำลังสติของเราก็จะพุ่งแรง ตาทำความเข้าใจก็จะเป็นมหาสติอะไรเข้ามาปรุงแต่งจิตก็จะตามดูหมดตามดูไม่ทันก็ใช้สมถะตามขม่มกดเอาไว้จิตของคนเรานี่แปลกถ้าไม่ดับไม่อดไม่ขม่มเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาก็วิ่งเขาก็เกิดอยู่อย่างนั้นเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าห ล, ลงแล้วหลงเล่าอยู่อย่างนั้น ความคิดปูดขึ้นมาปรุงแต่งเมื่อไรเขาก็วิ่งเข้าไปรับด้วยกันหมดอาแขนรับเลยแทนที่จะใช้สติ ป, ปัญญาเข้าไปวิเคราะห์ไปพิจารณาหาเหตุหาผลตรงนี้แหละถ้าแยกได้กำลังสติก็จะไปตามดูจะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ลงความว่างนั่นแหละเขาเรียกว่า เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นการเกิดการดับเห็นสภาวะธรรมจิตรู้ความจริงตรงนี้ว่าไม่มีสาระประโยชน์แกนสารอะไรเขาก็จะไม่ยึดเขาก็จะปล่อยจะวางก่อนที่เขาจะวางได้ไม่ใช่ว่าวางได้ง่ายๆนะกำลังสติของเราต้องตามหาเหตุหาผลจนจิตยอมรับความจริงได้เขาถึงจะวาง ทีนี้จิตจะเกิดกิเลสก็มาดับที่จิตอีกกิเลสความอยากเล็กๆน้อยๆอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาความอยากเล็กๆน้อยๆนั่นแหละควรมองข้ามจะไปเอาแต่กิเลสตัวใหญ่ๆตัวไหนมันเกิดก่อนก็เอาตัวนั้นดับตัวนั้นความคิดมันเกิดขณะ น, นี้เราก็ดับตัวนี้ความคิดอารมณ์ต่างๆ กิเลสต่างๆจากละเอียดลึกลงไปเรามีความอิจฉาริษยาหรือไม่เรามีความตรหนีทีเนียวหรือไม่มองโลกในทางที่อคติเป็นมนทีมหรือไม่เราต้องพยายามกําจัดสาสารออกไปสำหรับการปฏิบัติอยู่คนเดียวเราก็สนุกอยู่หลายคนเราก็สนุกตัวเราแก้ไขปรับปรุงตัวเรากายวิเวกเป็นอย่างไร จิตวิเวกเป็นอย่างไรจิตที่ไม่มีกิเลสมันมีความสุขอย่างไรกำลังจิตของเรามีไหมจิตของเราหวั่นไหวไหมจิตของเราพว้าไหมเหตุการณ์จากข้างนอกเข้ามากระทบจิตของเราเกิดหรือไม่ผูกระทบเสียงจิตเกิดไหมบางทีก็เดินยิ้มอยู่คนเดียวบางทีก็เกิดปิติเกิดสุขสารพัดอย่าง กิเลสมารต่างๆก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาก็หาวิธีที่จะเข้ามาถึงจะเกิดขึ้นมาเราก็ต้องระต้องดับออกให้หมดหลอกในปัจจุบันขณะที่เราตื่นไม่ได้เขาก็ไปหลอกในนิมิตมันหลายสิ่งหลายอย่างที่มาหลอกเรากว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ก็ต้องขยันหมั่นเพียรเราต้องสร้างตะบะบรารมีให้เต็มเปี่ยม บารมีสิบตะ บ, บารมีสิบศรัทธาของเราเต็มเปี่ยมไหมปัญญาของเราเต็มเปี่ยมไหมสติของเราเต็มเปี่ยมไหมศีลมีลักษณะอย่างไรสมาธิปเป็นลักษณะอย่างไรปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องให้รู้ให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงให้หมดไม่ใช่ไปนึกไปคิดไปอ่านไปฟัง อันนั้นเป็นปัญญาโลกีเท่านั้นเองถึงแม้จะพิจารณาแต่ถ้าขาดการจำแนกแจกแจงแยกรูปแยกนามก็แค่เป็นปัญญาโลกีแต่ถ้าเราจะคิดพิจารณาอะไรโดยจิตของเราแยกรูปแยกนามได้แล้วก็เป็นการเจริญสติ ป, ปัฏฐานสี่ตลอดเวลาจะพิจารณากายจิตของเราก็ว่างรับรู้อยู่พิจารณาจิต จิตเราก็ว่างรับรู้อยู่พิจารณาเวทนาจิตก็ว่างรับรู้อยู่พิจารณาธรรมจิตก็ว่างรับรู้อยู่เพราะว่าจิตของเราคลสยซะแล้วจิตของเราตกกระแสธรรมสะแล้วเราดับความเกิดซะแล้วต้องพยายามเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางอย่าพากันมัวเล่นทะเลถลายถ้าเราเข้าใจแล้ว เราก็เอาการเอางานของเราเป็นการฝึกหัดปฏิบัติธรรมทำงานไปด้วยจิตก็ได้พักผ่อนไปด้วยถ้าเราขยันหมั่นเพียรตรงไหนไม่ดีเราก็รีบแก้ไขเสียแก้ไขให้ดีแก้ไขไม่ได้ก็อุเบกขาเสียตามความเป็นจริงจิตอุเบกขาตั้งแต่แยกรูปแยกนามแล้วจากนั้นก็ทำความเข้าใจ แล้วก็ละกิเลสซึ่งเป็นฝ่ายนำมาทำเสียส่วนภายนอกเราก็ทำหน้าที่ของเราตามสมมุติตามอัตภาพของเราทำให้ดีเพื่อที่จะยังสมมุติของเราให้อยู่ดีมีความสุขเพื่อให้เกิดประโยชน์อยู่ตลอดเวลาการละกิเลสนี้สำคัญการดับการละของพวกเราไม่มีเราจะไปสแสวงหาแต่ทำจะได้ยังไง การแยกรูปแยกนามของเราไม่มีจะเข้าใจเรื่องจิตได้อย่างไงสติยังไม่รู้จักสร้างมันจะไปได้อย่างไงสร้างสติให้ต่อเนื่องรักษาสติให้ต่อเนื่องรู้จักดับรู้จักละรู้จักทำความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นคนขยันหมั่นเพียรจริงๆถ้าเป็นคนเกียจคร้านจ้างก็ไม่เข้าใจก็จะไม่รู้ไม่เห็น อยู่คนเดียวก็มันวิเคราะห์แก้ไขปรับปรุงความทุกเกิดขึ้นที่กายหรือเกิดขึ้นที่จิตมันเป็นอย่างไรความว่างความสงบเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าแล้วใครจะทำให้เราแม้แต่จับชายจีวรของพระพุทธองค์อยู่ถ้าเราไม่ศึกษาไม่สนใจเราจะไปเข้าใจได้อย่างไร ธรรมะนั้นมีอยู่ประจาโลกพระพุทธองค์ท่านเป็นคนค้นพบเราถึงยกไว้อยู่ที่สูงเป็นบรมศาสดาท่านเอามาจาแนกแจกแจงธรรมะนั้นก็มีอยู่ประจาโลกกันจิตของเรานั่นแหละคือองค์ธรรมแต่เวลานี้ก็ยังหลงอยู่ยังหลงเกิดยังหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็ต้องพยายามคลายออกให้มันหมด พวกกิเลสนั้นมีมาทีหลังเพราะจิตเติมแทนนั้นไม่มีกิเลสหรอกสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะคลายกิเลสได้บารมีของเราต้องเต็มเปี่ยมความเสียสละของเราก็ต้องเต็มเปี่ยมเอาออกให้หมดอย่าไปกลัวอดกลัวลําบากยิ่งเอาออกเท่าไหร่ก็ยิ่งเยอะคลายออกให้มันหมดก็จะรู้ความเป็นจริงแต่พวกเราไม่ยอมคลาย อาจจะคลายอยู่เพียงเล็กๆน้อยๆไม่คลายหมดต้องคลายออกให้หมดคลายความคิดคลายอารมณ์คลายความยึดมั่นถือมั่นคลายกิเลสสํารับกิเลสออกให้มันหมดทีนี้เราจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องปัญญาล้วนๆไปทำหน้าที่แทนทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นวัดทำกายให้เป็นวัด ทำจิตให้เป็นพระไปสร้างประสบการณ์หาประสบการณ์อย่าปล่อยเวลาทิ้งเสียดายเวลาต้องพยายามกัน